พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิบเจ็ดลำดับที่ส4บสโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28สิพฤศจิกายน2556ห้ายห้าหมีชื่อเรื่องว่าคุณยายตายแล้วฟื้นวันนี้เป็นวันที่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 นึกน้อมเข้ามาหาตัวเองไว้อยู่เสมอเสมอถ้าพวกเรานึกน้อมนึกคิดไว้อยู่เสมอกิเลสภายในใจของเราที่จะลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องต่างๆเขาคงจะขยาบหรือว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาไม่มากก็น้อยอย่างพวกเราจะโลภนะโลภไปเพื่ออะไรตามไม่จริงเป็นคนขี้ตนี แต่โลภอยากจะได้คนอื่นอันนั้นน่าเกลียดมากแต่ถ้าว่าเราเร า, เ, าเราเป็นกู้ตนนีจริงแต่เราไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาเขาก็จะมาอารัดเอาเปรียบเราอันนี้แสดงว่าคนมีธรรมอยู่ในใจก็น่านับถือน่าเลื่อมใสในระดับหนึ่งคือเป็นคนขี้ตนนีแต่ก็ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น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 จนเกินไปอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกแต่น่าเคารพตรงที่ว่าเราไม่โลบของเขาเราไม่เอาเปรียบเขาเขายามาเอาเปรียบเราอันนี้จุดนี้ที่น่าที่น่านับถือแต่ว่าเรามีมากแต่เราไม่ยอมเสียสละให้กับใครเลยอันนี้น่าตำหนิจุดนั้นคนที่ล่ำรวยแต่ว่าไม่ยอมเสียสละไม่ยอมเสียให้กับชุมชนสังคม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 ช่วยเหลือชุมชนสังคมคนอื่นแต่ตัวเองน่ยขี้เหนียวขี้เหนียวตนรับตนเองคือขี้ตนีตนรับตนเองไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรพอใช้ไปยังไงก็ใช้ไปอย่างนี้อันนี้ก็สบ า, ายใจใครสบายใจเราอย่างที่หลวงพ่อได้เห็นโยมที่ไปไม่นานมาเนี่ยนะเขาก็มากราบ มากราบหลวงพ่ออายุของเขาคนนันป่าเข้าจะเข้า 60-70 ปีแล้วล่ะผมขาวทั้งหัวล่ะแต่เขาก็ตัดผมเป็นปโพยมผู้หญิงนะก็ตัดผมเพียงเพียงเออเพียงหูเลยหูไปต้นเองเพียงคอแลันะ้นตัดผมแบบผมมานะ้าผมก็ขาวใส่ชุดขาวดำมาอยู่ได้วัด มาช่วยทำอาหารทำน้ำปานะถวายกูบาอาจารย์ถวายพระ ส, สงฆ์หลวงพ่อเห็นแล้วเห็นทีไรคือโยมยายคนนี้อยู่คนเดียวอายุมากแล้วทำไมเขาจึงอยู่อย่างนี้เห็นที่ไห น, นไหนก็โดยมากจะเห็นเขาหเห็นในวัดกูบาอาจารย์อย่างวัดหลวงปู่จามอย่างนี้วัดหลวงตาอย่างนี้ยล้วอไปที่ไหนโดยมากเห็นเขาเขามากรา โดยมากก็จะถวายน้ําปานะาหลวงพ่อนะแต่วันหนึ่งเขาเข้ามากราบหลวงพ่ อ, อคล้ายๆเขาก็มาเล่าความเป็นมาในความรู้สึกของเขาบอกหลวงพ่ อ, อดิฉันเนี่ย เ, เข้ามาสวัฏวิตรศาสา น, านานานแล้วถ้าคนมองอีกมุมหนึ่งเขาก็คงจะว่าดิฉันมาเกาะหรือมาอยู่ยังไงแต่ดิฉันมันออกมาจากใจจริงๆ ออกมาจากใจจริงๆคือมีความรู้สึกถ้าไปอยู่ในบ้านมันไม่สบายใจมันออกมาอยู่ในวัดอย่างเนี้ยอยู่ตามลำพังกลางคืนก็มานั่งอย่างวัดหลวงปู่จามก็ไปนั่งเฝ้าหลวงปู่จามนั่งภาวนาสาส่ห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็สบายใจทำภาวนาอยู่อย่างเนี้ยสบายใจ ดกกลับไปบ้านก็ไปอยู่วัดไหนก็เนี่ยภาวนาสบายใจเพราะที่ฉันก่อนหน้านี้ก็แต่งงานาแต่งงานกับคนทางภาคใต้มีแม่ย่ากับมีผู้มีฐานะมีสวนยงสวนยางต่อมาก็ามาอยู่ทางจังหวัดการแล้วก็คนอุดรเขาก็พูดแบบคร่าวๆนะไม่ละเอียดมากในครอบครัวแต่ถึงยังไงดิฉันเนี่ย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 ดิฉันได้ลูกสามคนกําลังจัดเรียนหนังสือดิฉันไปอยู่ที่การจนบุรีไปแล้วก็ลงไปในแพร์กลางคืนไปกับพักกับญาติพี่น้องนะกับครอบครัวพอไปพักเสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างมือข้างนอกแพร์พอไปเห็นดอกดอกไม้สวยงามแต่เราก็ไม่ได้ถามมันดอกอะไรมันลอยมาลอยมาข้างแพร ก็เลยเอามือคว้าคว้าทีหนึ่งก็ไม่ไม่ถึงเพราะบุตรวิดมานงั้นนะ อ, อยากจะได้ดอกไม้นั่นนะคงจะเป็นดอกไม้เทวดาหรือพญานาค ก, ก็อะไรก็ไม่รู้ละมันลอยมาอีกใกล้ๆกขคว้าไปอีกอย่างแรงเียเพื่อจะให้ได้เกาะติดเพื่อจะได้ดอกไม้นั้นมาแต่นี่ตัวเองก็หุดหลุดลงไปจากแพรเลยจุ่มลงไปในน้ำเลยเลยตกน้าพอตกน้ำขึ้นมามันกระดุกกระดุกย เมื่อเหมือ น, ม, อนมีอะไรดึงลากขาลงไปในน้ําหมอนกันเพราะลากขาร้วยนะั้นรู้สึกว่ามันไว้ความรู้สึกว่ามันวิวคลายๆว่ า, า, า ม, มันหมดลมลนะเลยเนีอยตายแล้วว่างานทีนี้เอมันวิวเว็บเพราะนั้นะเรื่องความตายนี่ฉันดูๆแล้วไม่น่ากลัวนะท่านนะกูับปู่นะเพราะมันเวลามันจะตายมันวิวเว็บจากนั้นก็หายเงียบไปเลย จะนั่นตัวเองก็ขึ้นมันเดินอยู่บนบกไนะพอมันเดินบนบกมีผู้ชายสอ ง, ส, องสามคนสองคนมาเกาะแขนนะให้มาเกาะแขนแล้วก็ได้เกาะแขนเขาเดินเขาให้เดินพอเดินไปไปผ่านไปเห็นพวกตกนรกเหมืนกะัไปผ่านนรกก่อนนะัหลวงพ่อนะไปเห็นคนตกโอโ้โหน่ากลัวมากเลยไปเห็นเห็นคนจะรุ้งเลยไงเนี่ยมองไอ้คนที่สองคนก็าเลยตบแขนนะปัก อย่ามองเขาว่าอย่ามองอแต่ก็อดมองไม่ได้แต่กันเหลือบๆดูก็เห็นทั้งเดินทั้งนั้นไปด้วยเหมั้นจากนั้นเขาก็เลยพาขึ้นไปขึ้นไปที่ไหนเดินไปเรื่อยๆไปจนไปถึงไปถึงชั้นนั่นเขาบอกอันนี้สวรรค์ชั้นที่สามนะเขาบอกสวรรค์ชั้นที่สามโอ้โหไปเห็นบ้านเมืองของเขาสวยมากเลคนก็สวยมากหอมอีกต่างหากคนทุกคนหอมหมดเลย เออเห็นแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ภาษาเขาใช้เนี่ยใช้ภาษาใจนะท่านอาจารย์ถ้าเรานึกว่าอยากจะให้ฉันทําอะไรเนะี่ยนึกหาเนะี่ยคนนี้เขารู้เลยใช่มีอะไรนะเขาจะถามฉันต้องการนั้นต้องการนี้นต้องการอะไรนะเขาจะรู้หมดเลยเราก็รู้จักภาษาใจของเขาอีกนะเลยสวรรค์น ใ, นใช้ภาษาใจนะเ อ, อจากนั้นก็ตีฉันไปเห็นต้นไม้ต้นไม้ทองคํา อูในบ้านของเดจฉันในนั้นบ้านของของท่านเขาเฝ้าไว้อยู่ไปเห็นต้นไม้โอ้โหต้นไม้นสวยสวยมากแต่เป็นต้นไม้ลักษณะต้นไม้ทองคําแล้วก็น่ากินมากตุกผลลไม้เราเขาก็ว่าไปปิดเอาซิต้องการดิฉันก็ไปปิดไปเบ็ดไปเด็ดออกหมากไม้เด็ดเท่าไหร่ก็หมุนเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนะหมุนไม่ขาดเลยกลับมานั่งเหนื่อยบอกว่าไปปิดให้ดิฉันหน่อยใชไมไม่ใช่ เป็ น, นหน้าที่ของใครของเราเป็นหน้าที่ ข, ของใครถ้าเป็นของใครของนั้นก็ต้องปิดถ้าปิดไม่ได้ก็จะแดงว่ายังไม่พร้อมดิฉันก็นั่งโอ้หิวข้าวเหมนกันเขาหิวข้าวออกเขาเอาข้าวมาให้กินสําหรับมาโอ้โหหน้าทานมากอาหารสวยหน้าทานอาหารปลาเนตมากแต่พอจับแร้วหยิบลงไปเนแข็งหมดเลยทีนี้มันกินไม่ได้ดิฉันจับแล้แข็งหมดกินไม่ได้จากนั้นเขาก็เลยเอาน้ำมาให้ น้ำไม้พอเจ็บได้อยู่น้ํำเขหกินน้ําได้ไอ้ที่แต่ดิฉันเก๊ะถึงแต่ลูกเลยนลูกสามคนเนี่ยนนเัวขอให้ดิฉันกลับไปบ้านก่อนเถเินขอรองพวกที่มานั่งเฝ้าอยู่ไอ้พวกที่นายใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าอ้าวมันออกไปแล้วมันมันกลับตามหายากนะดิฉันก็ว่าเอตามหายากกลับขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ดิฉันเดีมาเอง ท่าที่ฉันไปดูแลลูกซะก่อนเพราะในสุดก็เลยร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเขาก็เลยบอกว่าประชุมกันเขาเลยประชุมกันประชุมใหญ่แต่ดิฉันเวลาเขาประชุมฉันก็ได้ยินนะเขอยู่ห่างไกล้อยู่แต่ส่งภาษาที่ที่ฉันขอกลับไปเทอร์นเขาก็รู้เออว่านั้นนะ่ะเขาบอกโอ้ไม่ได้มันร้องไห้ทั้งคืนปะ่ะเอา้าเห็นด้วยไหมใ ห, ให้เอากับ๊บเออเอากลับก็กลั๊บ เอากลับเขาก็เลยตกลงมติกันให้กลับว่างัน้น แ, แก่ว่านะพอกลับแล้วก็เขาก็เลยดีใจที่จะเขาพาให้กลับจากนั้นก็เขาก็เกาะแขนให้เกาะแขนพอมาเขามาส่งส่งส่งส่งส ง, ส ง, ส ง, สงมาเห็นเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เขาก็บอกเอาเข้าไปเราก็เลยเข้าไปในร่างตัวเองพอเข้าไปแล้วก็ลืมตาเลยแตเนะี้ยอ่า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 มันยังไม่แข็งถือเนี่ยแสดงว่ามันจะคืนมาอยู่ได้เนี่ยดิฉันก็เลยได้คืนมาจริงๆท่านอาจารย์มาพอคืนมาแล้วนั่นนะเขาก็ถามไทยว่าดิฉันไปที่ไหนบ้างอะไรที่ไหนบ้างนะดิฉันก็เลยเล่าเล่าเ ล, าเลาให้เขาฟัง น, ะนี่แหละชีวิตของดิฉันเนี่ยมันสะดุดเดี๋ยวนี้เชื่อว่ามาบุญคุณโทษนระกสวรรค์นเนี่ยอยู่ในจิตในใจนี่ถึงจะใครจะคิดยังไงก็เถอะดิฉันมั่นมั่นใจเลย เพราะทีฉันเนี่ยเดือยวนี้ทีฉันเองก็มาอยู่อย่างเนี้ยลูกๆข้างหลายกี่คนหนึ่งก็เป็นหมอพวกหยบเพศสัตว์ก็มีลูกสองสามคนแต่เราก็ไม่ได้ถามในรายละเอียดจุดนี้แต่เป็นหมอคนหนึ่ง เ, เขาก็ให้เงินเดือนแม่มาอพอเพียงเพียงใช้แล้วก็เก็บเงินค่าดอกค่าบ้านค่าชาวบ้านอะไรบางเป็นไปได้แต่ใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือยอแต่ดิฉันไม่ใช้บัตรเอทีอมนะดิฉันเป็นบ้านนอก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 แล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตแบบสมมติฐาแต่ถ้าว่าเขาจะไปอยู่แบบแบบสบายๆก็ได้ในห้องแอร์ก็ได้เพราะลูกทํางานถึงขนาดนั้นแต่นี่เขาไม่เขาแบบรู้เท่ารู้ทันรู้ตัวว่าชีวิตนี่มันก็เท่านั้นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่สรุปแล้วก็คือไม่โลกถึงจะมีมากก็ไม่รู้เท่ารู้ทัน รู้ตัวชีวิตถึงขนาดนี้แล้วน่าจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแก่ขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรอกีกจะเพิ่มอะไรเข้าไปอกีกมันน่าจะเพียงพอพอนะน่าจะหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอันนี้หลวงพอ่อเออน่า เ, ออ เ, ออเขาคิดอย่างนั้นหลวงพ่อเองอึงก็เห็นด้วยกับเขานะเ อ, อเห็นด้วยกับเขาเพราะว่า เขารู้จักพอรู้จักประมาณตนนี่แหละคือโลกใบนส์นะี่ยเราจะเป็นโลกไปเพื่ออะไรจะไปโกรธก็เหมือนกันบางคนก็เห็นใครมาก็โกรธให้เขาโมโหโกรา่าพอเห็นหน้าเท่านั้นแหลอไม่พอใจละ่ะเขาทำอย่างงั้นอย่างนี้ขึ้นมาไม่พอใจละ่ะยิ่งเขามาดุด่ า, าว่ากล่าวยิ่งมาพูดให้เรายิ่งไม่พอใจใหญ่ยิ่งเป็นผู้น้อยมาพูดให้ผู้ใหญ่ยิ่งโกรธให้เขาอีก เอออันนี้คือถึงจะโกรธก็โกรธเถอะท่านเราเป็นผู้มีธรรมในใจเอถ้ามีผู้มีธรรมในใจเมื่อโกรธเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานาะนั่งภาวนามานึกดูตัวเองว่าข้าไปเจ้าโกรธเขาไปเพื่ออะไรเอ่ทำไมเราจึงไปโกรธเขาเขาว่าให้เราอย่างนั้นใช่ไหมเขาดุด่าว่ากาวให้เราใช่ไหมเราจึงไปโกรธเขา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 เราก็ต้องบอกอืมเราไม่ได้บกพร่องเราก็ดูใจของเราดูความปรดพติของเราดูการเป็นอยู่ของเราไม่ใช่ว่าเราจะไปนัสถานที่ใดใครเห็นเราเน่ยเย้มแยม้มแจมใสเออเอาดอกกุหลาบมาให้ทุกคนเออหมาไปเห็นเราก็ทุกตัวก็ไม่ต้องเห่าเออกระดิขคางให้ทุกตัวเออไปเห็นมนุษย์หน้าไหน เยิ้มแย้มแจมใสทุกระดับเชิดชูบูชาถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็จะหลงเขาอีกเหมือนกันนะหลงหลงในโลกอีกไม่อยากจะออกจากโลกอีกนั่นแหละอันนี้เราไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ต้องโอปัญยิก่กวทุกคนจะให้มันได้อย่างใจเราขนาดใจเราก็ยังมีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเขาอยากจะให้เราจะให้เขาดีกับเราอยู่ทุกคนอย่างนั้นใช่หมายใจ ถามใจตัวเองนะอยากจะให้เขาดีกับเราทุกคนอย่างนั้นใช่ไหมใจนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไปเห็นหมาหมาเห็นเราหรอมันไม่รู้ใครมามันก็ต้องเห่าซะ ก, ก่อนฮเราก็ไม่พอใจกับหมาเลยมันเห่าทําไมนะเดี๋ยวกูจะไปไล่ตีหมาอีกนะเอเผอๆจะไปหมากัดขากูกูจ ต, ต้องกัดขาหมาอีกนะออย่างนั้นใช่ไหมถ้าไอ้นี่มันด่ากูมันด่าทําไมกูต้องด่ามันคืนอีกนะอย่างนั้นใช่ไหม ผลที่สุดก็เลยตัวเองก็เลยเป็นคนชั่วคนเลวเใจเลวใจชั่วอีกอมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอันนี้แหละให้ระวังความโกรธให้ดูความโกรธของตนเองเขาโกรธขึ้นมาเราโกรธไปมันมีเหตุมีผลอย่างไรต้องหาเหตุในการโกรธ เ, เรื่าการปรับปรุงแก้ไขตัวเองเอนั่นแหละจึงจะถูกต้องนะเป็นปาดเป็นปลาดนะแต่ไปท่าเป็นภาลชนแล้วก่อนนั่นแหละ เ, เข า, เาต้อง ฟัดกันหัวล้างข้างแตะข้างใดข้างหนึ่งฮะผลที่สูงขึ้นนะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีตัวเวนเท่านั้นนะ่ะเวนจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวนเวนจะระงับไม่ได้เพราะมีการจองเวนกันอยู่นะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าหลงคํานี้อีกเหมือนกันเนะีอยหลงก็คือหลงว่าตัวเองจะไม่ตายจะอยู่โชวฟ้าดินสลายอจะอยู่นานเท่านานกับลูกกับหลาน กับทรัพย์สมบัติกับวัดวาศาสนาเอยอย่างหลวงพ่ออินก็หลงวัดหลงสุสิทธ์ลูกหาว่าไม่ไปไหนหรอกข้าเนะี่้อยู่กับสู่เจ้านี่แหละโชั่วฟ้าดินทลายเอย่ยิ่งเข้ามาพ่อบอกว่าเอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยรักษาสุขภาพให้ดีๆนอะให้อยู่กับลูกกับหลานนานๆร้นนนะอยี่สิบปีเนอหลวงพ่ออินจะ ด, ดีใจ ห, หัวเราะแฮห่แแห่อแห่าจะอยู่กับชูติยอมไว้ว่าล่ะ รอยยี่ิปียังน้อยไปข้าจะอยู่จัก0 0รปีจะว่าอย่างนั้นเหรอแสดงว่าหลงหลงตัวเองถึงเขาจะว่าอย่างไงก็เขาก็ว่าแต่ว่าชีวิตของเราน่ะคืออะไรขอให้ลูกหลวงพ่ออินรักษาสุขภาพเป็นดีเนาะเออข้าก็รักษาสุขภาพดีอยู่ลูกหลานเน่ยข้าก็หายใจให้ข้าอยู่เวลาข้าหิวน้ำข้าก็กินใหนข้าอยู่เวลาถิวอาหารข้าก็กินให้ข้าอยู่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 นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะให้คิดไว้ในใจถึงเขาจะให้สินให้พอรอย่างไงเราก็ต้องโอปัญญยโกมองตนเองไว้อยู่เสมออย่าหลงอย่าลืมตัวนะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าพวกเรามีคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วนะอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใด ยิ่งหมดจดจากกิเลสหมดราคะโทสะโมหะแล้วนะั่นนะเป็นภูบริสุทธ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะเท่นอยู่ที่ไหนสบายทั้งนั้นละถ้าว่ายังมีกิเลสอยู่ไปที่ไหนก็ไม่สบายไปอยู่ดวงดาวพระอาทิตย์ดาวพระจันทร์ดาวพร ะ, ะอังคารอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งหมดเพราะมันมีกิเลสอยู่นะถ้าอยู่หมดกิเลสแล้วอยู่ที่ไหนสบายทั้งหมดผลนั้นให้ชําะใจ ให้หมดจดจากกิเลสตระนะเลย์ประเสริฐที่สุดนะให้ดูตัวเองอย่าลืมตัวชีวิตของเราคืออะไรดีหลวงพ่อได้พูดยกตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างให้ฟังเขาตายแล้วเขาไปยังไงอันนี้นเราก็ฟังเอาไวา้เชื่อทีเดียวกว่าพอเขาพูดให้ฟังเราก็ต้องฟังเรามีหูสองข้างให้สังเกตให้ฟังแล้วความโกรธเราจะเอาชนะยังไง อยากจะให้คนยืดเชิดชูโบชาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละหลงทํำยังไงเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมสียงเหล่านี้พวกเราต้องโอปนัญิโกมองดูตนเองไว้อยู่เสมอมองดูตนเองแล้วนะเราไปนสถานที่ใดอยู่นัดสถานที่ใดไปนัดสถานที่ใดมีแต่ประกอบคุณงามความดี